6. การภาวนาโดยใช้อานาปนานสติอานาปนานสติเป็นกรรมฐานที่ทํายากมากเวลาทําแล้วมักจะหลงไปเป็นสมถะได้ง่ายเพราะอานาปานาสติเป็นกรรมฐานที่ละเอียดเวลาเราไปรู้ลมหายใจใจมักจะไหลไปเกาะนิ่งๆอยู่กับลมฉะนั้นเวลาเราทําอานาปนานสติจิตใจพลิกแปลงได้หลายแบบเช่นเรารู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วก็ใจลอยไป อย่างนี้ขาดสติไปแล้วไม่มีสติเลยไม่มีทั้งสมถะไม่มีทั้งวิปัสนาอีกอย่างหนึ่งเรารู้อยู่ที่ลมหายใจนะจิตเราแนบเอาไว้ที่ลมหายใจลมเคลื่อนไปเราก็ตามรู้ตามเห็นไปได้เรื่อยๆโดยที่ไม่ได้บังคับอย่างนี้ได้สมถะอีกอย่างหนึ่งมันเห็นรูปที่กําลังหายใจอยู่ใจเป็นแค่คนดูเห็นร่างกายนี้หายใจเห็นรูปนี้เคลื่อนไหวตัวนี้ก็เป็นวัตถุ เป็นรูปเป็นก้อนธาตุหายใจเข้าหายใจออกก็เป็นธาตุที่ไหลเข้าไหลออกเห็นจิตใจเป็นคนดูเห็นร่างกายนี้หายใจไปนี่เป็นการขึ้นวิปัสสนาด้วยการรู้กายไม่เหมือนกับการไปเกาะที่ลมนะการเกาะที่ลมเป็นสมถะถ้าเห็นร่างกายหายใจใจเป็นแค่คนดูอยู่อย่างนี้เป็นการทำวิปัสสนาด้วยการรู้กายอีกอันหนึ่ง หายใจไปแล้วจิตใจก็ฟุ้งซ่านไปรู้ว่าฟุ้งซ่านจิตสงบรู้ว่าสงบจิตเป็นสุขรู้ว่าเป็นสุขเป็นทุกข์รู้ว่าทุกข์นี่หายใจแล้วมาดูจิตดังนั้นอาณาปณะสติพลิกแพลงได้เยอะแยะเลยในแต่ละขณะแต่ละขณะบางทีก็เป็นสมถะบางทีก็เป็นวิปัสสนาบางทีหลงไปก็ไม่มีทั้งสมถะไม่มีทั้งวิปัสสนา